นิสตโตจวิหารตินาจากินจิโลกเอุปาิยติเอ ว, มอวอัมตคภิกเขวภิกขุธมเมสุธมานุปัเวิหารติชาสุอชาชติกาบะเรสุอายตเนสุอายัตนปปังนิวห้ันหอายตนะ12 นิวรณห้าขันห้าอายตนะสิบสองเอาสติกำกับดูแลทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นมาสติกำกับกำกับดูแลได้ทั้งหมด สลายสติกำกับดูแลได้ทั้งหมดกาม่ชั้นกามฉันทะกปยาบาทปยาปัดทีนะความงงงาหาวนอนทีนะมิทธะอุทธักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญ วิจิกิช้าความลังเลสงสัยมีท่านว่าเครื่องกั้นเครื่องกีดเครื่องกั้นเครื่องกีดเครื่องกั้นนี่เป็นนิวรณิวรณนี้เป็นธรรมารมเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจแม้แต่รูปเสียงกลิ่นรสผพระ ธ, ธรรมารมณ์ที่มันล่วงไปแล้วมันก็กลายเป็นนิวรณมาปิดมากั้นเราได้ จะพูดถึงนิวรณกามฉันทะพอใจในกามพอใจนึกพอใจคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสที่เรียกว่าพอใจในกามรวมไปถึงยอดของกามกามราคะเนี่ยพอใจนึกถึงเรื่องกามกั้นแล้วทีนีพอสิ่งเหล่านี้มาอยู่ในวงจรของความนึกคิด ทำให้จิตไม่ได้ภาวนาแล้วพุทธก็ทิ้งแล้วพุทธก็ทิ้งแล้วติดรสของมันที่มันมาสัมผัสที่จิตติดรสชาติของมันติดอารมณ์ของมันติดความรู้สึกของมันทิ้งแล้วทิ้งพุทธแล้วนานเพราะฉะนั้นฉันทะความพอใจในอารมณ์เหล่านั้นจึงเป็นเครื่องกั้นความสงบของใจของเรา แทนที่ใจจะสงบอยู่กับพุโทโธพุธโธพุธโทโธสงบอยู่ไม่ได้มันถูกนิวรณ์มากัน้นนิวรณ์ทั้งท่านนิวรณ์นี้เป็นธรร ม, มารมม์มันเกิดขึ้นที่จิตอะไรก็ตามคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นที่จิตเป็นธรร ม, มารมม์ทั้งนั้นนี่ท่านยกมาเฉพาะพอเป็นหลักๆที่ท่านเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ กรมฉันทะพยาปาทะทีนามิทะอุทธัจจกุกุจักวิจิกิจฉาความฟุ้งซ่านรำคาญอุทธัจจกุตจักอุทธัจจังกุกุจังกุตัจจังอุทธัจจกุกุจักสักเนี่ยเขาสวดเปลี่ยนไปตามวิพัฒน์ปัจจัยของมันถ้าเราจําได้เราสวดคล่องลองเราจําไม่ได้เราไป ไล่ดูทีละตัวทีละตัวจุกจ๊กจักจ๊กจั๊กจุ๊กจักจักอยู่นั่นแหละไล่ไม่ทันเขาแหละไล่ไม่ตกไม่ตกทันเขาแหละกามาฉันเนี่ยท่านให้พิจารณาอสุภะกามาฉั น, นอารมณ์ของกามมันมาหลอกจิตดึงจิตเอาไปใช้โดยเหตุที่จิตของเราถูกหลอกมาตลอดทิดรสชาติของมัน พอเวลามันหลอกปั๊มันเคราะปั๊บส่งจิตไปตามนั้นปั๊จิตมันก็ติดจิตรสชาติของกามาชันที่มันพาหลอกจิตมันถูกหลอกติดรสชาติของของกามาชันที่มันพาหลอกติดความรู้สึกติดใจความรู้สึกโดยดีโดยดีหนึ่งส่วนหนึ่งคือรูปเสียงกิ่นรสผลพระธรรมลมที่มันล่วงไปแล้ว นั่งหรือนอนหรือยือ้อหรือเดินก็ตามแต่นึกคิดอยู่ในใจนี่กามฉันทะถ้ากรมฉันทะไม่โผล่มาพยาบาทโผล่มาทีนี้พยาบาทะยาบาทะโผล่มาพยาบาทาพยาบ า, า, าทมันก็ไปจากความโกรธนะความโกรธไปจากความปฏิฆะคือความขัดใจใจของคนเราเนี่มันเหมือนกระแสน้ํา มันได้ไหลไปข้างไหนถ้ามีอะไรไปกั้นปับ๊บมันขัดขึ้นมาทันทีมันสุดุดขึ้นมาทัน ท, ทีีเรียกว่าขัดใจปฏิฆะปฏิฆะแล้วว่าขัดใจเป็นเหตุให้เกิดโกทะคือความโกรธเป็นเหตุให้เกิดพยาบาทพยาปาทะพยาบาทคือปองร้ายเพราะอะไรเพราะมันโกรธมันโกรธเพราะอะไรเพราะมันถูกขัดใจ ถ้าหมันไม่รักมันก็ชังความขัดใจนี้เป็นส่วนของความชังชันท่านเป็นส่วนของความรักยาบาดมันเป็นส่วนของความชังใจสงบได้ไหมสงบไม่ได้เอาพุโทโธมากำกับ อ, อารมณ์เหล่านั้นมันรุนแรงกว่าไม่อยู่ไม่หยุดไม่อยู่ท่านจึงให้ใช้ส ต, ติตามกำหนดจดจอรู้โอ้พยาบาทเกิด เอากรรมฉันก่อนโอ้การมฉันเกิดเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้อ้าวกรรมฉันมีในใจรู้ว่ากรรมฉันมีอยู่ในใจการพิจารณากรรมฉันถือว่าเป็นการพิจารณาจิตนะโอ้กรรมฉันอยู่ในจิตมันเกิดขึ้นยังไงมันอยู่ยังไงมันตั้งอยู่ยังไงในจิตนะั้นจออาสติกําหนดจดจอดูลงไป พอจอลงไปกามฉันมันก็ละลายหายไปหายไปกามฉันหมดจากหัวใจก็รู้อีกว่ากามฉันไม่มีอยู่ในใจอุปปันนัสะอนุ ป, ปันนัสะเห็นไหมอัตทิเมนัททีเมอัตทิเมมีอยู่ในจิตนัททีเมไม่มีอยู่ในจิตทําไมมถึงไม่มีอยู่ในจิตเพราะเราเอาสติไปกําหนดจดจ่อ มโนสติไปกำหนดจดจ่อด้วยเหตุที่สติมันเป็นตัวเจตจำลองที่เราตั้งรับปลุกจิตเขาร้อยตื่นโโรอยู่ขึ้นมาเนี่ยความรู้ของเรามันตื่นมันไม่ได้ตื่นด้วยหลักธรรมชาติแต่มันตื่นมาเพราะเราใช้เจตจำลองปรุงแต่งให้มันโโรอยู่ขึ้นมาเนี่ยรู้ทันมันก็ดับปรุงการมาฉันทะมีสติกำหนดจดจ่อรู้ทันมันก็ดับ เราพยายามมาฝึกซ้อมอยู่ตรงนี้ให้รู้ให้เข้าใจการไม่ชันเกิดขึ้นการหมดจดจ่อรู้ทันแล้วก็ดับหนึ่งแล้วกำจดจ่อไม่ต้องไปพิจารณาอย่างอื่นมาแทนก็นด้ถ้ายืดยาวไปมากกว่านี้เอาอย่างอื่นมาแทนเอากายคตามสติมาแทนเอาอสุภะอสุพังมาแทนเพื่อที่จะตักอารมณ์การมฉันนี้ พุทธะตัดอารมณ์กรมไม่ฉันนี้เพียงแต่เรากําหนดสติจดจ่ออยู่มันก็ดับบาทีมันก็ดับไม่สนิทเราก็ใช้งานเอาจิตปรุงงานต่อเลยปรุงงานอสุภะอสุพังกําหนดให้เห็นเห็นให้เลยอสุภะอสุพังไปอีกเห็นเป็นหลักธรรมชาติี่ยมันมีวิธีการต่อสู้พยาบาทไม่เช่นเดียวกัน ยับาด ท, ทั้งให้เจริญเมตตาความชังความเกลียดเป็นเหตุให้เกิดความโกรธเกิดความพยาบาทอารมณ์ใดก็ตามโผล่ขึ้นมาความโกรธความขัดใจโผล่ขึ้นมาท่านให้สติกำหนดจดจ่ออยู่กับอาการของความโกรธอาการส่วนหนึ่งจอดูมาที่ที่กายอาการตัวหนึ่งก็จอมาที่จิต เจอมาที่กายถ้ามันอยู่มันก็ดับย้อนจากกายมาเจอะที่จิตจอไปตรงความรู้สึกว่ามันโกรธนะมันขัดใจสติกำหนดจดจอตั้งเจจำนองสติเจาเข้าไปมนันก็ดับถ้ามันไม่ดับจอลงไปด้วยกาหนดแผ่เมตตาเข้าไปอีกเป็นงาน มันแค่ครัมันมีเครื่องไม้เครื่องมือมันมีอาวุธอยู่รอบมือมีอาวุธอยู่รอบตัวในการที่เราจะเอามาต่อสู้กับตันหาที่มันรุนแรงในหัวใจของเรานิวร์เนี่ยมันสามารถปิดกั้นได้ทั้งสมถะมันสามารถปิดกั้นได้ทั้งวิปัสนานิวร์เท่านี้นะอปิดกั้นได้ทั้งสมถะปิดกั้นได้ทั้งวิปัสนามันสามารถแทรกเข้าไปตามอารมณ์สมถะก็ได้ สมาธิแทรกเข้าไปตามอารมณ์ของวิปัสสนาก็ได้การพิจารณาตัวมันนะ่ะมันเป็นการพิจารณาวิปัสสนารู้แจ้งทันอารมณ์เหล่านั้นเหล่านั้นที่เรียกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาใช้สติความรู้ความตื่นโรอยู่ข้อหนึ่งข้อสองทีนะความง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นจากภาวะสองอย่างภาวะส่วนหนึ่งร่างกายอ่อนเพลียอยากหลับ ภาวะอีกกานหนึ่งจิตอ่อนเพลียจิตอยากพักผ่อ<ฮ>นนี่คือง่วงเหงาหาวนอนบางทีอารมณ์ที่เรามาบริกรรมให้จิตอยู่พุทโธพุทโธพุทโธจิตมันมันจะไม่ค่อยโลดผนจิตมันก็จะเชื่องมันจะซึมด้วยเหตุที่เราสํารวมระมัดระวังกำลังจดจ่อสติสำมพชัญญาไม่ค่อยกล้าสมาธิไม่ค่อยแข็งเนี่ยอเมื่อเกิดความง่วงนอนขึ้นมา แต่ถ้าสติมันตื่นโร่อยู่เฉพาะจิตมันจะไม่นอนสมมติเรานอนนี่เราเอาสติคำจดจ่ออยู่อย่างนั้นน่ยมันไม่หลับร่างกายไม่หลับจิตตื่นรู้แท้ที่จริงมันหลับหรือไม่หลับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกายมันขึ้นอยู่ที่จิตแต่ถ้าร่างกายเพลียเหน็ดเหนื่อยร่างกายก็สามารถดึงจิตให้หลับไปได้ง่าย แต่บางทีจิตมันตื่นโรอยู่จิตไม่หลับพรรางกายได้นอนแผ่เต็มที่จิตมันก็อิ่มนี่คือนอนภาวนานอนภาวนาอัาสติตรงนี้เราไปแก้เพราะฉะนั้นท่านจึงตั้งมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานมีความสำคัญเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอาวุธอยู่รอบข้างตัวเราเจริญพุทธานสุสติต่อเจริญวิปัสสนาต่ อ, เ, ตอเข้าไปเลยเจริญเข้าไปที่จิต แทนที่จะนอนหลับนอนบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาสติเป็นตัวตั้งเป็นตัวประธานกำหนดจดจอ่อให้จิตของเราเนี่ยตื่นรู้อยู่อย่างนั้นไม่หลับอ่าใ น, นเมื่อเราเอาสติเอาสัมปชัญญะไปอุดหนุนจุนเจือจิตของเราให้จิตของเรากล้าแข็งเข้าไปจิตไม่หลับแทนที่จะหลับไม่หลับถ้าเราต้องการปล่อยให้หลับเราก็ปล่อยเลยถ้าเบอร์ร่างกายอ่อนเพลียมากๆเราก็ปล่อยให้หลับ ถ้จิตต้องการพักสงบนิ่งไม่นึกไม่คิดม่อะไรก็ปล่อยมันหลับไปเลยจะหลับโรอยู่จะหลับดับไปหายเงียบเลยอันนี้เป็นเรื่องเสียถ้าสงบโรอยู่กุจิตไม่กระดุกเด็กจิตอยากพักอยากอะไรกันเลยจิตเข้าสู่ความสงบนี่คือนิวรณ์ทีนะ่ะความงงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นจากความอ่อนเพลียของกายเกิดขึ้นจากความอ่อนเพลียของใจ หนึ่งเกิดขึ้นจากความอ่อนเพลียของใจสองเกิดขึ้นจากความเกียดคร้านของกายเกิดขึ้นจากความเกียดคร้านของใจใจมันเกียดคร้านเป็ี่นนะที่เกียดยกจิตสู่อารมณ์ว่าไปว่าไปเหมือนปากจะหักเหมือนอารมณ์ภายในจิตมันจะยุบสลายหายลงไปพี่เกียดที่คร้านยกขึ้นสู่อารมณ์มันไม่ค่อยอยากขึ้นดูสังเกตสังการดูให้ดีนี่ คว you know, hmm. ามงงงาวห้าวนอนกระทับเราหัดต่อส e> ู้เราจะรู้เราจะรู้เราจะเข้าใจอเคยแพ้อ้าวคราวนี้แพ้คราวหน้าเออใกล้ชนะแพ้อีกคราวหน้าอีกอ้าวใกล้ชนะแล้วแพ้อีกคราวหน้าใกล้ชนะแล้วแพ้อีกคราวหน้าอ้าวคราวนี้แข็งขึ้นมาชนะมันแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้ชนะอยู่อย่างนี้แหละชนะมากชนะน้อย การที่เราต่อสู้แพ้บ้างชนะบ้งางแพ้บ้างชนะบ้งางแพ้บ้างชนะบ้า ง, งทาให้เราคล่องงานสังเกตสังกาดูให้ดีนะทีนั้นมิท ถ, ถ้ามาันไม่อยากหลับไม่อยากนอนมันก็ฟุ้งซ่านคิดจนฟุง้งที่เรียก ว, ว่าอุทธจักกุจจะอันนี้ก็อยมัดกับสติสติไปกาหนดจดจอ่อขยับปั๊บจับขยับปั๊บจั บ, จ, บจิตมันฟุง้งกระดูกกระดิกปั๊บจับ กระโดดกลิกปับจับกระโดปับจับอยู่คิงนิงนี่ยนี่วิธีแก่ อ, อยู่เกินสติไปไม่ได้เกินสัมผชฉันยะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงตั้งมาหาสติปัฏฐานมาหาสีปัฏฐานถ้าเราเข้าใจมันจะร ป, ปรุงทะลุปลุกปรองไปหมดมันเกี่ยวข้างในหมดทั้งสมถะทั้งวิปัสนาข้อสุดท้ายข้อห้า 5, วิจิกิชิชฌา ความลังเลความสงสัยสงสัยกับคุณของพระติจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์สงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามแต่จ่อเข้าไปที่จิตสงสัยเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานมันสงสัยสงสัยว่า <c oughs> นิพพานมีอยู่จริงไหมเราตั้งใจภาวนาไปเราจะได้อะไได้ทําจริงไหมเนาะมันเกิดความลังเลสงสัยวิจิกิ จ, จา๋าความลังเลสงสัย นี้สติมากำหนดจดจ่อจอดูปัญหาที่มันสงสัยมันคล่องใจนั้นน่ะสงสัยอะไรจอเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธนี่พระุทธเจ้ามีหรือไม่มีพุดตื่นผู้เบิกบานมีหรือมีพุทโธพุทโธพุทโธพทธมีหรือไม่มีสติกำหนดจดจ่อรู้เข้าไปนี่วิจิกิจฉา มีผู้รู้เริ่มสงบผู้รู้เริ่มเด่นเริ่มชัดจิตเริ่มสงบจิตเริ่มเบิกบานจิตเริ่มอ่อนเริ่มนิ่มเริ่มเบาสบายกายเริ่มเบาสบายกายเริ่มอ่อนเริ่มนิ่มเริ่มเบาสบายเอาอารมณ์ของสติมากำกับเพราะฉนันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง มันจะแทรกเข้ามาที่จิตยูหมัดด้วยสติพยายามสั่งสมสติให้มากอบรมสติให้มากยืนเดินนั่งนอนฝึกฝนอบรมสติให้มากขัดเกลาสติให้มากสติสัมปชัญญะนี่แหละสามารถอบรมให้จิตสงบได้สามารถอบรมให้จิตฉลาดเป็นวิปัสสนาได้นี่คือนิวรณ์เครื่องกั้นกับตรงข้ามคือวิธีแก้ อีกอันหนึ่งคันห้ารูปเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นสังขารเกิดขึ้นวิญญาณเกิดขึ้นเกิดขึ้นรู้ก็เกิดขึ้นกำหนดดูรปูปรูปเกิดขึ้นรูปดับไป รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังโยชน์ความผูกผูกใจติดในรูปรูปขึ้นให้รูปรูปตั้งอยู่ให้รู้รูปดับไปอัดทั้งขโมออัดทั้งขโมดับไปดับไปจากความรู้สึกก็ให้รู้เวทนาก็เช่นเดียวกันสัญญาก็เช่นเดียวกันสังขารก็เช่นเดียวกันวิญญาณก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นหลักใหญ่ เป็นกระทุมัดใหญ่แท้ๆเลยแหละเรื่องคันหะ่านะเป็นมัดกองกองหญ้าที่ใหญ่มัดโรูปคุยใหญ่ต้องมาคลี่คลายมาแก้มากระจายเวทนาเงี้ยมันก็อยู่กับจิตนั่นแหละสัญญาเนี่ยมันก็อยู่กับจิตนั่นแหละสังขารกับจิตนั่นแหละวิญญาณกับจิตนั่นแหละรูปเป็นส่วนรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโผล่ขึ้นมาที่ไรเมื่อไรมันก็เกี่ยวเนื่องกับรูปรูปธรรมกับ น, นามธรรมานี่ขันทั้งห้าขันแปลว่ากองกองรูปที่เราเห็นทั้งหมดทั้งดุ่นเนี่ยคือกองรูปตัวเราตัวเรานี่เนี่ยเป็นรูปรูปรู้ได้เพราะจิตมาสิงมาเกาะมาสายอยู่ ถ้าไม่มีจิตมาเกาะมาสิงมาสายอยู่ก็เหมือนรูปคนตายเอาไปปาส่วนไหนออกจะรู้สึกอะไรไม่รู้สึกแต่ถ้าเป็นคนเป็นเนี่ยมดมาไตามาตอมตรงไหนรู้สึกหมด mm hmm. นี่เราดูไปที่ความรู้สึกความรู้สึกว่ารูปเกิดขึ้นมีความผูกพันกับรูปสติกำหนดจดจ่อดูเห็นที่ว่ารูปสักแต่ว่าเป็นรูปไม่ใช่เรา mm hmm. จนสามารถทำลายสักกายทิฐิที่สำคัญว่าเป็นเราได้สำคัญนะนเนี้ยตัวรูปเนี่ยเวทนาก็เช่นเดียวกันเป็นอาการของจิตสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่เป็นอาการของจิตมันเป็นตัวแปรเป็นตัวสัมผัสในความมาเชื่อมประสานกันกันกบนามกับรปูปนี่คือขันธ์ทั้งห้าคือกองทั้งห้ากองเนี่ย ทำอะอย่างอื่นไปแตกไปกระจายไปจากกองขันทั้งห้าเนี่ยมากมายเต็มไปหมดแม้แต่ตันหาที่มันจะมาแทรกมาเกี่ยวกับรูปธรรมเกี่ยวกับนามธรรมาเนี่ยรูปพลุนไปตั้งหกสิบกว่ช่องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากรูปพระธรรมนามธรรมาแค่นี้แหละอมันเกิดเป็นอิจตนาภายในอิจตนาภายนอกมันเกิดเป็นพอมันสัมผัสกันปับมันเกิดเป็นวิญญาณรู้แจ้งทางตา ทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจยานุภาภายในหกยานุภาภายนอกวิญญาณหกหกสองสิบสองหกสาสิบแปดน่รวมกันแล้วเป็นสิบแปดแล้วพัสสะหกอีกหกสี่ยี่บสี่พัสสะหก 6, 24, ะ 6, เวทนาหกเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกของอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเกี่ยวข้องกับอะไร อันนั่นแหละเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากที่จิตไปเกี่ยวข้องไปสัมผัสกับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้นั่นแหละคือตัวเวทนามันจะมีความรู้สึกชอบใจมีความรู้สึกไม่ชอบใจแล้วก็มีความรู้สึกเฉยเฉยจะเอียงซ้ายมีความรู้สึกเฉยเฉยพร้อมจะเอียงซ้ายแต่พร้อมจะเอียงขวาที่จะบสุขเวทนาทุกวเวทนาอนทุกขเข้ามาสุขเวทนาเนี่เวทนา แต่ถ้ามีสติคำนวจดจอ ร, ร, รู้อยู่เนี่ยสุขเวทนาก็ไม่เกิดรู้อีกทุกเวทนาก็ไม่เกิดพอเวลามาเกิดรู้อีกเอาทุกขเข้ามาสุขสุขก็ใช่ไม่สุขก็ใช่เกิดรู้อีกอในเมื่อมันไปสงบระ ง, งับหยุดอยู่แค่เวทนามันไม่มีอะไรต่อเชื่อมต่อไปถึงตัณหาตัณหามันก็สะดุดจบลงแค่นั้น ตัณหาตัวใหม่ที่มันจะทํางานเพื่อที่จะข้ามไปเป็นเพราะเปลี่ยนชาติมันสรุดจบลงอยู่แค่นั้นเวทนายินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดเพราะอะไรเพราะกําลังของสติกล้าสติกําหนดจดจอ่อลงไปสัมปจญยะประคองไม่สืบเนื่องพื้นตัณหาไม่โผล่นะครตัณหาเกิดไม่ได้ความอยากตัวนั้นมันดับความอยากอยาก อยากด้วยเหตุที่ไปสัมผัสความยินดีถ้าเราไม่ทันปั๊บเนี่ยด้วยเหตุที่ความยินดีติดรสชาของความยินดีติดความรู้สึกของความยินดีถ้าเราจะพิจารณาให้ชัดลงไปแล้วเหมือนอย่างเขาติดเหล้าติดยาบ้าเงี้ยแท้ที่จริงไม่ได้ติดเหล้าไม่ได้ติดยาบ้าติดความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเหล้าติดความรู้สึก เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากความเมาของเหล้าเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ความเมาออกฤทธิเดชของยาบ้าติดรสชาติของมันแต่รสชาติอันนั้นมันก็นมาจากยาบ้ามันก็นมาจากเหล้านั่นแหละแท้ที่จริงจิตของเราติดรสชาติที่มันไปสัมผัสคือความรู้สึกความรู้สึกก็คือตัวเวทนาเนี่ยสำคัญนะ มีสติกำหนดจะจาะให้มันละลายหายไปเลยอะไรเกิดขึ้นมาเจาให้มันละลายหายไปเลยอะไรเกิดขึ้นมาจาให้ละลายหายไปเลยถ้าเราไม่จาะนะตัณหาสวมรอยสวมรอยปั๊บดึงไปใช้แล้วไปหามาสนองแล้วอ่าอันนี้เราเอาไปเทียบได้กับทุกๆุกเรื่องที่ตัณหามันแทรกเข้ามาที่จิตของเราถ้าเรารู้เท่าทันตรงนี้ที่มันจะซื้อไปแล้วเราจะตาม ความรู้สึกหมายว่าตามใจตามใจกิเลสนี่เริ่มเกิดขึ้นเริ่มมีขึ้นตามใจความอยากตามใจตังหาอยากพูดซะหน่อยหนึ่งมันชวนไปพูดอยากคุยซะห น, น, น, กก น, น่อยมันชวนไปคุยอยากกินอยากดื่มเดี๋ยวซะหน่อยมันชวนไปกินไปดื่มอยากไปยืดเส้นยืดสายซะหน่อยมันชวนไปยืดเส้นยืดสายอยากไปยืนสูบปล่อยอารมณ์ซะหน่อยมันพาไปยืนสูบแล้ว ว่าแต่ความยามันแทรกเข้าไปกับอะไราขาดสติที่แน่นหนามั่นคงพอสู้รสชาติที่มันประซิบกระซาบในใจของเราดึงจิตของเราออกไปใช้สู้มันไม่ได้ดับไม่ได้เนี่ยขันตั้งห้าเราจะเห็นความสําคัญของสติสติธรรมการพิจารณาขันทั้งห้ามันเป็นการพิจารณาเพื่อ ย, ยกขึ้นสู่วิปัสสนา ถ้าสติเราแก่กล้าเราเยยก็ยกขึ้นสูงวิปัสนาได้สติสมาธิรวมอยู่ในนั้นมีกำลังพอเราสามารถทำได้เราสามารถพิจารณาได้พิจารณามากพิจารณาน้อยพิจารณาจนเหน็ดเหนื่อยปล่อยปล่อยสงบปล่อยพักพิจารณาจนเหน็ดเหนื่อยปลอย พ, อพักเราสามารถทำได้แต่ถ้าสมาธิเราไม่ดีสติเราไม่ดีปัญญาเราก็ไม่ดีพิจารณามันก็ไม่ได้ดี เราควรฝึกสติให้แก่กล้ามั่นของในหูใจของเราขันทั้งห้านี่พูดถึงอยายตนะอีกอยายตนะมันก็วนไปวนมาซ้ำซากอยู่ในนี้ถึงกระนั้นก็ตามเราก็ยังรู้ตามรู้ตามเข้าใจยากธรรมะของพระพุทธเจ้ามันของเดิมนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันอยนายตนะภายในอยนายตนะภายนอกสังโยอดเกิดขึ้นจากตาเห็นรูปจากหูได้ยินเสียงจากกลิ่นริมรถ จากจมูกดมกลิ่นจากลิ้นลิ้มรสจากกายสัมผัสเนี่ยโพธพภะจากใจกับธรรมารมย์ญาตนะมีความผูกพันสังยุตเกิดขึ้นด้วยตาเห็นรูปด้วยหูได้ยินเสียงด้วยจมูกดมกลิ่นด้วยลิ้นลิ้มรสด้วยกายสัมผัสเกิดสังยุตเกิดความผูกพันผูกพันกับอะไรผูกพันกับความรู้สึก ก็คือเวทนานั่นแหละนี่มันจะมีอะไรมันก็พันกันไปพันกันมาอยู่ในนั้นน่ะจนเราดูหน้าโดดไม่เห็นหน้าเห็นตามันแหละมันยุ่งเหยิงเหมือนกับลุงตาท่านว่าน่ะเนี่ยมือนก็ตามรอยวัวรอยควายในในคอกวัดควายในคอกหัวไม่รู้อันไหนเป็นรอยเก่าอันไหนเป็นรอยใหม่เนี่ยไม่รู้เป็นอันไหนไม่รู้อันไหนเป็นของตัวไหนอันไหนตัวเก่าอันไหนตัวใหม่เส้นสายเส้นทางของมันระโยองรด้เองเหมือนกับ รากของต้นไม้ไผ่ใครเคยเห็นเห็นรากไม้ไผ่ไปดูนะใครไม่เคยเห็นรากไม้ไผ่มันรโยงได้เองเหมือนร่างแหน่ะยุ่งเหยิงวุ่นวายพันกันไปพันกันมาอยู่นั่นนี่คือสัญญาอารมณ์ที่มันมีอยู่ในข้างในดูไปแล้วมันสําคัญทุกอย่างสําคัญทุกเรื่องเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างอื่นสงบหมดสยบหมดทําอย่างไรทำอย่างไงอะทําความรู้สึกอยู่จําเฉพาะจิต ด้วยสติด้วยสัมผัสจริงจ ก, กับจอ่อลงไปอยู่เฉพาะจิตเราคอยมาดูว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยอนุอเกิดขึ้นเดี๋ยนี้เกิดขึ้นเดี๋ยอนั้นโผล่ขึ้นมาเดี๋ยนี้นโผล่ขึ้นมาเดี๋ยนั้นโผล่ขึ้นมาเรามาคอยดูหน้าดูตาขมันมันจะโผล่มาอย่างนี้หมดมันวิจิตพิสดารในจิตของเราเพราะฉะนั้นเราพวกเราจึงตามไม่ทันพวกเราอ่อนแรงอ่อนล้า อ่อนสติอ่อนปัญญาอ่อนความอุตสาหะความบดความทนความภาคความเพียรด้วยเหตุที่เราอ่อนอย่างนี้เราก็เลยตามมันไม่ทันเรามานั่งนั่งและนั่งพิจารณาอยู่ที่จิตของเรากำหนดจดจ่อสติร่เขาขึ้นมาเอาอารมณ์สัมมัต ม, มากํากับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธนี่คือฝึกสติ ทำให้สติสืบซื้ออยู่ยาวๆอยู่นานๆประคองด้วยสัมปชัญญะรู้ตัวอบรมอยู่อย่างนี้แหละทำยังไงจะได้ทาอย่างนี้แหละจะได้ทำอย่างนี้แหละจะไ ด, ะทะะได้ทำอย่างอื่นไม่มีวิธีวิธีการอย่างอื่นไม่มีไม่มีเพื่อที่จสรุปมาที่สมถะคัพวิปัสสนาแค่นี้ หนึ่งดึงขึ้นมาให้มันอยู่ทิ้งนิ่งเฉพาะหน้าสองพิจารณาแยกแยะมีแค่นี้เองแยกแยะตามสัญญาอารมณ์ที่มันมาผูกพันกับที่จิตของเราเราถึงจะตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจมันได้เราจะเห็นความสําคัญของมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานเนี่ยเอาไปทูลกันหมด ไปภาวนาอยู่ป่าอยู่เขาภาวนาเป็นนิมมงเป็นนิมิตเป็นอะไรแต่ละสรุปลงมาอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดอืมยกเว้นอะ่ะไปเห็นเทวบุตเทวดาไปเห็นปีศาจนางไม้ไปเห็นอะไรแต่ละไรด้วยมโนมยึดที่ด้วยอะไรแต่อะไรอันนั้นเป็นเรื่องของความสงบของจิตเกิดสัญญาเกิดอารมณ์เกิดรูปปนิมิต เกิดอะไรทอะไรเป็นผู้มีฤทธทางจิตแปลกๆมีความรู้เห็นแปลกๆอันยกให้เป็นพิเศษเป็นประเภทอภิญญาเนี่ยเป็นประเภทรู้สางจิตมโนมยิทธิรู้ทางจิตเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเจโตวิมุญญมตติหนักเกี่ยวกับสมาธิ พวกทีเดตดอภิญญาก็เป็นพวกหนักสมาธิที่เราต้องการจะศึกษาตามแนวมหาสีปทานถึงจะหนักในสิ่งเหล่านั้นก็ตามก็ไม่พ้นที่จะมันต้องมาสาวระเรื่องเรารู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เพราะตัวนี้มันเป็นมันเป็นตัวที่ตัณหามันพายเราหลงหลงเคลิ้มไปกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เส้นไหนอันไหนตัวไหนพันกันรเรเยียงเต็มไปหมดไม่รู้เงืน่นรู้งามของมันกระเทือนเราก็มาจับตัวนี้ซะเลยก็รู้ซะเลย อย่างอี่ก็พลอยรู้ได้หมดเราศึกษาพิจารณาไข้ครวยให้ดีพอเวลาเรามาตั้งใจปฏิบัติเรามายงถึงความรู้ที่เราสูนเนี่ยมันเป็นภาคทฤษฎีเป็นภาคปฏิบัติไปด้วยกันจะทำให้เราได้รับความรอบรู้ได้รับความเข้าใจอยู่ในหนังสือไปดูคำแปลมัน ดูให้ทะลุกโปร่งเราเข้าใจทั่วถึงแต่ไม่ทิ้งตัวเนี้ยตัวที่เด่นอยู่เฉพาะจิตของเราเนี่ไม่ไม่ทิ้งตัวนี้ เ, นอน เ, อ เ, นนเอาก็หมดจดจ่อเอาตัวนี้แหละเราจะไม่ข้องใจสงสัยเรื่องใดใดอย่างอื่นเท่านั้นมันมีตัวการตัวเดียนี้แหละที่เราเอามันไม่อยู่ชี้มาที่ไหนชี้มาที่เนี่ยที่จิตของเราเนี่ยตัวความดื้อด้านของจิตนี่แหละ เชื่อว่าสมุทรไทยการตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาสรุปลงมาเหลือดึง ห, หนึ่งเดียวคือความอยากแล้วดูมาที่อาการของความอยากภาในใจของเราดูออกเวลามันเกิดขึ้นเราดูออกไหมพยายามจับความอยากเวลาจะรับทานอาหาร เ, เกิดความอยากต้องการสิโ น, นต้องการสินี้แล้วพยายามจับดูอ้อนี่ความอยากอ้อนี่ความอยากตัวให้มันชัดเจน อยากเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องโรคเรื่องเสียงเรื่องอะไรที่มันมากระซิบกระซาบหน่วยญ่ของเราแล้วดึงใจของเราเอาไปใช่อ๋นี่ความอยากเกิดขึ้นมันต้องการดึงไปใช้อย่างนั้ น, นความอยากเกิดขึ้นดึงไปใช้อย่างนี้ใช้ความตื่นรู้ตามจอ่อมันตราบใดที่มันดึงไปใช้หมายความว่าเราหลวมตัวให้กับมันแล้วความหลงมาครอบแล้ววิชามาครอบแล้วมันดึงจิตเราไปใช้แล้ว แต่ถ้าจริเราตื่นรู้มันดึงไปไม่ได้ความรู้สึกนึกคิดที่มันจะดึงเราไปตัวนั้นมันดับเพราะตัวนี้มาสว่างโถแท่ละตัวนั้นมันดับเพราะตัวนี้เป็นอารมณ์ที่ชัดชัดความชัดภายในใจเกิดขึ้นครั้งละขณะละครั้งขณะละหนึ่งอารมณ์เท่านั้นไม่มีสองด้วยเหตุด้วยเหตุนั้นเราจึง แน่าอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์กิเลนถึงหลุดไปอารมณ์แน่วอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์ของกิเลสมันก็ตกไปตราบใดมันแน่วอยู่กับรเรื่องของกิเลสธรรมก็ตกไปไี่ยู่แค่นี้เองเรามาพลิกแปลงดูให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วถือมาเป็นข้อประวิตรเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยเราศึกษายัางงี้เราศึกษาของจริงที่มีอยู่ในกายของเราในจิตของเรา ไม่ใช่เราพูดอย่างไม่มีหลักพูดอย่างลม้มล้มแรงแรงไม่มีหลักความอยากการมฐานหาภาวะฐานหาวิภาวะตันหาที่ฉันพูดไว้การมมาพบรูปมพบอรมูปมาพบฐานหาคือความทยันอยากของใจความที่มันไม่สงบนิ่งนิสัยอุปนิสัยความเลวทรามของจิตที่เราไม่เคยฝึกหดัดแปลงมา มันไม่มีเปรตผีวิญญาณที่ไหนมาดลดนบรรดาให้ใจเราเป็นไม่มีกิเลส ต, ตัวดื้อด้านตัวนี้แหละเราต้องชี้มาที่นี้เราต้องชี้ไปที่โจทย์ต้องชี้ไปที่จำเลยตัวนี้แหละเป็นจำเลยตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละความเล็วสามของมันเนี่ยมันอยู่ในนี้เลยจาะเขามันคุณสมบัติของมันก็มีอยู่สติธรรมปัญญาธรรมนี่แหละคือคุณสมบัติของมันตั้งไอตัวนี้ที่เป็นคุณสมบัติขึ้นมาแทน ไอตัวที่พาเราวิบัติมันก็ตกไปมันก็ดับไปกิเลสตัวมันพาจิตของเราวิบัติมันก็ตกไปมันก็ดับไปเรากํำนดจดจ่อยอยู่อย่างนี้ทําให้รู้ที่ไปที่มาสมัยเราถึงถึงต้องพยายามดับตัณหาเพราะตัณหาถ้าเราปล่อยให้มันแสดงลวดลายดึงจิตเราไปใช้ทุกครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันดึงไปหากองทุกอ้า มันดึงไปหารูปดึงไปหาเสียงหากลิน่นหารสดึงไปหากามไปหาสิ่งที่มันใคร่มันชอบจากนั้นแล้วเราก็สนองงานมันแล้วทีนี้สนองนอนสนองนี้สนองไม่จบสนองอำนาจของความอยากสนองไม่จบแต่เราจ่อเสียมันมันละลายหายไปจ่อเสียมันมันละลายหายไปรู้แล้วรู้เล่าจ่อแล้วจ่อเล่เาละลายแล้วละลายเล่เา หาเกิดความรู้สึกเองเกิดความรู้สึกว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะมีคุณธรรมแน่นหนามัม่นคงเกิดขึ้นในหัวใจของเรากระบนการจ่ออยู่ได้ร้ตลอดความเป็นตัวเป็นตนไม่ปรากฏนี่แหละประตูแรกที่เราพยายามจะทะลุทะลวงเข้าไปให้ได้ให้ถึงโดยเหตุที่เราทะลุไม่ได้ทะลวงไม่ได้ เราเราเราเราอัตราตัวตนของเราเน่ะอะไรโผล่มาไม่ถูกใจไม่ชอบอยกระทุกอันนั้นโผล่มากระทุกอันนี้โผล่มากระทุกมันวิ่งหาแต่กองทุกตัววิ่งหาแต่กองทุกเพราศึกษาให้รู้เท่าทันหมดแลดักหน้ามันดักหลังมันจับมันขังไว้จอ่อจับให้มันอยู่ในกรงขังกรงขังของสติของสัมปชัญญะน่ยโผล่ขึ้นมาเกาะจับ โผล่ข้ามาจับโผล่ข้ามาจับอืมการพูดการฟังทางนี้อ่ามันเหมือนกับอุปมาอุปไมยจับจับจับคืออะไรก็จับความรู้สึกอะไรเอาอะไรไปรู้ทันเอาจิตไปรู้ทันไปจับไปสติไปรู้ทันก็จับสติไปรู้ทันก็จับทั้งความรู้สึกอยู่เฉพาะสิ่งนั้นมันขยับไป จับอีกมันขยับอีกจับอีกอยู่ขิ้งนึงลองไปทมให้ได้จับให้ทันจับให้ได้จับให้ทันอ่าพอสมควรเกิเวลา <c oughs> <c oughs>